คือเป็นการสักการะพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเป็น รู้จักผิดชอบชั่วดีรู้จักคนทางดําเนิน <c oughs> เอ่อในสูตรที่ 1 มงคลที่ <c oughs> 1 ที่ กับตัวเรานะทางในปัจจุบันนี้ปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังบูชาบุคคล <c oughs> ผู้ที่ควรบูชาจัดว่าเป็นอุดมบุคคลหรือจัดว่าจะนํามาซึ่งความสุขให้กับบูชานั้นนั้นการบูชาอ่าบุคคลที่ควร <c oughs> พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้สูงสุดกว่าเทวดาและทั้งหลายเป็นบุคคลที่เราสมควรที่จะบูชาอย่างยิ่งหรือว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์อ่าเป็นที่ เราสมควรที่จะบูชาหรือไม่ก็พ่อแม่เอ่อพี่ชายเอ่อพี่สาวเอ่อผู้ที่มีหรือว่าวัยวุฒิสูงกว่าเราหรือไม่ก็ <c oughs> สูงกว่าเราในเรื่องของวัยวุฒิหรือว่าคุณวุฒิคือผู้มีอ่ายศธรรมดาศักดิ์ การบูชาด้วยอมิตรบูชาอย่างหนึ่งหรือว่าบูชาด้วยการปฏิบัติอ่าวิหาร สร้างเอ่อเจดีอย่างทางเอ่อเพื่อไว้เอ่อสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาวัตถุ <c oughs> นมบูชาส่วนปฏิบัติบูชานั้นเอ่อเราก็บูชาด้วยการ <c oughs> 5 รักษา 8 รักษา 10 หรือ 227 เอ่อ ละวิปัสสนากรรมฐานเหล่านี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าปฏิบัติบูชาคือปฏิบัติตามคําสอนเอ่อของพระพุทธเจ้าหรือว่าปฏิบัติ <c oughs> ก็มีอันนี้ส่งน้อยกว่าการอ่า เรเราก็จะได้อมิตรเหล่านี้ตอบคือเราได้คือถ้าเราบูชาด้วยอมิตรเราก็ได้สุขๆ นั่นการบูชาด้วยอมิตรสิ่งของนะกับการด้วยการประพฤติปฏิบัติตามนั้นก็จะต่างกันนะได้อานิสงส์ไม่เหมือนกันถ้าความสุขที่เอ่ออาศัยอมิตรหรือว่าอาศัยวัตถุกามอาศัยกิเลสกามอยู่เราบูชาด้วยอมิตรแล้วเราก็จะได้ความสุขเหล่านั้น ได้อ่าอามิสสิ่งของเรานั้นกลับคืนมานั้นเราจะคิดว่าการอ่า <c oughs> เอ่อเหล่านั้นในเราก็จะได้สิ่งนั้นที่เราเอ่อเวียน แล้วปรารถนาเอ่อเป็นผู้มีผิวพรรณงาม ซึ่งเป็นพระเถระศีของพระเจ้ากัปปินะบูชาเอ่อพระพุทธเจ้า <c oughs> <c oughs> เหล่านี้เป็นต้นอ่าอันนี้ก็อยู่ พระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงสุดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ๆก็ตาม อดีวะเหมือนในโลกนี้แสงสว่างได้ใดอ่าที่จะเทียบเท่าเสมอกับแสง นะเมื่อเราบูชาพุทธเจ้าจึงถือว่าอ่าบูชาผู้ที่มีคุณธรรมสูงสุดกว่ามนุษย์และ หว่านไปลงในที่นาที่ดีที่มีปุ๋ยดีดินดีเนี่ยมัน การบูชาด้วยผ้าด้วยข้าวด้วยน้ำแต่ผู้แต่พุทธเจ้าอ่า <c oughs> หรือถ้าเราไปบูชาอ่าในบุคคลงามนั้นการบูชาบุคคลที่ไม่มีคุณธรรม ผู้ที่ไม่มีคุณธรรมที่ไม่มีคุณธรรมอ่าอันนี้ก็ทําๆก็จะ <c oughs> ตลอดไปอ่าตลอดระยะเวลาเป็นแสนๆกับถ้าหากว่าเราบูชาพระพุทธเจ้าผู้มีคุณธรรมสูง <c oughs> วันละ 8 ทนานแล้วก็จะได้เงินตอบแทน 8 กหาปนะเขาเรียนขี้บด้วยเงิน 8 กหาปนะนั้นเออทุกๆวันก็จะต้อง ได้เก็บดอกมะลิเพื่อที่จะไปถวายพระเจ้าพิมพิสารก็ไปมาพบพระพุทธเจ้าระหว่างทางนะคือพุทธเจ้าเสด็จมาบิณฑบาตระหว่างทางในสุมนานั้นเกิดความเลื่อมใสขึ้นมาคือ <c oughs> เราก็จะได้ประโยชน์เพียงปัจจุบันเพียงอย่างเดียวคือมา 8 กหาณะนํา 8 กหาณะนั้นไปเลี้ยงชีพได้ประโยชน์เพียงฉะนั้น ถึงแม้เพราะเจ้าผีพิษาลเนี่ยจะพิโรธเรา คือก็คิดว่าอ๋อถ้าเราเอาดอก 8 กัปปนะจะทําให้มีความ นั้นเท่าตามปกติโดยธรรมดา เรเรเราก็บางทีเท่าไม่มีจิตปัญญาหรือว่าเกิดความศรัทธาเริ่มสายเราให้ไม่ได้พอเมื่อให้ไปไม่สามารถที่ได้ตอนนี้เป็นความคิดของบุคคลที่ปัญญาหรือว่าบุคคลสั่งสมในเรื่องของบารมีมาในอดีต จึงมีความคิดเช่นนี้อ่าเพราะปกติธรรมดาคน <c oughs> ดอกไม้ไปถวายพระชาพีพิสานอ่าพระรมย์จะสั่งประหารชีวิตก็ยอมก็เลย <c oughs> โยนไปทั้งปรารถนาเนี่ยดอกมะลินั้นก็ไม่ตกห้อมล้อมเอ่อพระพุทธเจ้าอยู่อย่างงั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหน <c oughs> ให้ภรรยาได้ทราบว่าไอ้ดอกบลีที่นําไปแปรรณานในวันนี้ไม่ อาจจะลงโทษมาถึงตนด้วยงั้นก็เลยกลัวภัยอันตรายก็ด่าว่านายสุมนะต่างๆนานาแล้วตนเองก็รีบเข้าไปเฝ้าเมื่อ <c oughs> ภรรยาของนายสุมนะมากล่าวตำหนิติโทษนายสุมนะรา คือต้องการที่เอ่อจะให้เอ่อพระเจ้าพิมพสารนั้น <c oughs> ที่บูชาพระเจ้าในๆให้อย่างละ 8 นะคือช้าง 8 ม้า 8 นารีที่ 8 นะหรือ 8 เนี่ย 8 ตำบลที่พระ 8 ละ 8 อันนี้ก็เป็นผลนี้ก็เป็นผลอ่าเป็นผลจาก พระเจ้าพิมพิสารอาจพี่โกรธแล้วสั่งประหารชีวิตก็ได้แต่นี้เค้ายอมเค้าเรียกว่าเค้ายอมยอมเสี่ยงชีวิตอ่า เป็นทานปรมัตถะก็ได้อันนี้คืออ่าเป็น มากกว่าการบูชาปกติธรรมดาการบูชาปกติธรรมดาอ่าเหมือนการที่เรานำดอกๆมันก็ตามอัน <c oughs> มีความศรัทธาด้วยเสมอด้วยชีวิตและอย่างวัตถุหรือว่าบุคคลที่ในสุมนามาราคานบูชานั้นเป็นบุคคลผู้ <c oughs> กับการที่บุคคลอ่าเท่าได้ อ่าสถานนั้นต้องเสมอด้วยชีวิตถึงแม้ว่าตัวเอง คือได้ก็จะมีผลให้เกิดในวันนั้นเลยถวายในพระปัจเจ <c oughs> พระพุทธเจ้าเนี่ยเสมอด้วยชีวิตณเมืองในสุมนามราคานเนี่ยได้พระราชทานได้รับพระราชทานสิ่งของอย่าง ได้สิ่งของเอ่อแต่ละอย่างในวันนี้ <c oughs> <c oughs> บูชาเราเสมอด้วยชีวิตเช่นนี้นะอานิสงส์ของการบูชา เอ่อในชาติสุดท้ายก็จะคือเป็นพระอรหันต์ผู้รองคือพระพุทธเจ้าทรง <c oughs> มีความสุขความเจริญในปัจจุบันความและในชาติสุดท้ายความเจริญในปัจจุบันแล้ว อ่าบูชาด้วยเอ่อผ้าผ่อนท่อนสบายอ่าเช่น <c oughs> เพราะไม่มีพระห่มมีแต่ผ้านุ่งโคละผืนและงั้นพราหมณ์อยู่ในกสารดกนี่ก็ให้ภรรยาไปกลางวันตนเองก็ไปฟังเอ่อไปฟัง <c oughs> โดยเอกสารดกนี้เกิดความศรัทธาคิดที่จะเอ่อเปื้อนผ้าเนี่ยเราจะ <c oughs> นั้นความคิดในการให้ในปฐม <c oughs> คิดเหมือนเดิมคือถ้าเราให้แล้วไม่มีเราก็ไม่จนกระทั่งถึงยามสุดท้ายฟังธรรมไปแล้วก็เนี่ยเกิดตัดใจ <c oughs> อ่าคือไม่คํานึงถึงแล้วจะมีคือเราชนะแล้วเราชนะ พอได้ยินเสียงพราหมณ์นี้เป่งวาจาวชนะแล้วชนะแล้วเนี่ย ในการที่เป่งแล้วเพราะชนะความตนีที่เกิดขึ้นในตนอ่ากับความตนีมาแต่ก็สู้ไม่ต้องเป็นผู้พ่ายแพ้ทุกทีแพ้มา 2 นะพอให้ทานแต่อีกจิตนึงมันมาตัดความ เขาสามารถตัดใจได้นี่เค้าสามารถตัดจริงพระราชทานพระให้แต่ ดูเอกสารดกนั้นครั้งจนกระทั่งพราหมณ์คิดว่าถ้าแล้ว พระเจ้าพระเสนธิโกศลนั้นก็ยัง <c oughs> พระพรามนั้นนํามาเอ่อถวายพระเจ้าก็เกิดความ <pouch. S 2> แล้วก็เป็นการที่จะต้องต่อสู้กับดวงจิตคือความตนเอง แล้วให้ไปแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องไปไหนแล้วเพราะไม่มีผ้าที่เนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกนะนั้น <c oughs> เสื่อมไปแล้วต้องใช้เวลาเท่านั้นเท่านี้มันก็คิดๆ นั้นคนที่ชนะความตนีๆแล้วบางทีมันก็คือ กิเลสกับบารมีมันลบกันอยู่ความถนีย์คือกิเลสบารมีอ่าคือความดีหรือว่าทานที่เราจะ ว่าแต่นี่ก็คือมารมารหมายถึงสิ่งที่ทําลายคอยทําลาย มารก็มาทำลายเรานั้นถ้าข้างนอกน่ะไม่ใช่มารข้างนอกน่ะเป็นเพียง ความโกรธความพยาบาทเกิดขึ้นแล้วเราทําความดีไม่เนี่ยอ่าไอ้ความ <c oughs> เอ่อก็เรามันเป็นมารคือคอยทําลายนั้นมารให้ว่ามารคือสิ่งที่ทําลายคล้างความดีมันไม่ใช่อยู่เอ่อ ขัดขวางทําลายความดีทั้งหมดนั้นท่านว่าถ้าเราคิดที่ 1 เนี่ยเขา อ่าเกดก็ให้ทานที่ 1 เนี่ยช้างม้าวัวควายเหล่านั้นอย่างละ 16 ตัวบ้านสวย 16 ตําบลยิงที่มีรูปงาม 16 คนหรือว่าถ้าเขาให้ยามที่ 2 ก็ได้สิ่งอย่างละ 8 แต่นี้เค้าชนะความตนิดได้ในที่ 3 เอาจึงได้สิ่งของเหล่านั้นอย่างละ 4 เท่านั้นนะคือมันมาขัดขวางไป ไป. ไป. 16 ไปกัน จิตเราเป็นกุศลเวลาไหนเนี่ยเราคิดทําความดีเวลาไหนว่าก็จิตเนี่ยมันเป็นอนิจจังไหนเราต้อง อีกแล้วเราก็หมดโอกาสที่จะทําอ่าหรือว่าทํามันก็ลดลงไปนั้น คือเราตั้งใจที่จะทําเท่านี้แต่ความตนีมัน ตัวเอาชนะคือคือบารมีมารกับบารมีมันลบกันอยู่ในจิตเป็นมารคือกิเลสมารอ่าคือทําให้จิตใจ ขันธมานก็คือร่างกายของเราเนี่ยเอ่อรูปร่างกายของเรารูปน้ําเนี่ยเค้า การบุญการกุศลต่างๆมันก็เกิดเจ็บนี่เค้าเรียกขันธมารนะนั้น ความตายเข้ามาหาพรากเราชีวิตเราไปซะก่อน เออทำอะไรความทำความดีไม่ได้ไม่มีชีวิตอยู่ที่จะทำความดีหรือว่าความป่วยไข้ไม่สบายความเจ็บไข้ไม่ นั่นเราเข้าใจไว้อ่าในเรื่องของมารมารคือสิ่งที่ทำลายล้างความดีนั้นส่วนใหญ่ มารมันอยู่ภายนอกไอ้พวกนั้นมันเพียงแค่เสนามารเท่านั้นอ่านั้นเมื่อเราอ่าคิดอย่างนั้นว่ามารมันอยู่ภายนอก แต่ไม่ใช่รังนั้นเราเป็นผู้พ่ายแพ้มารไม่ เราอย่างนี้เราจริงได้ชื่อว่าโกรธตอบเราแผ่เมตตาไว้อ่าอย่างนี้เราจึงได้ชื่อ เวรความโกรธจึงมารอด่าไปเพื่อทุสต้องชนะมารข้างในต้อง มีขันติขันติมีสัจจะมีอธิษฐานมีเมตตามีอุเบกขาเหล่านี้เค้าเรียกว่า เนื้อหนังเอ็นกระดูกเลือดในกายของเราเนี่ยจะเหือดแห้งไป อ่าที่วามารภายนอกท่านแสดงถึงบุคคลาธิษฐานนะคือประยาสวัสดิมานเนี่ย <c oughs> แม่นางธรณีงมเป็นพญานคือคือมาเป็นของพญามารพระพุทธเจ้าว่าบัลลังก์นี้มันเกิดจากบารมีของพระองค์ก็อ้างแม่นางมาแม่ก็บีบที่ว่ามีน้ําเอ่อ พยายามพร้อมทั้งเสนามานให้ไปไกลสุดขอบจักรวาลนั้นเท่าในว่าของๆที่เกิด ในอารมณ์สมบัติความคิดห่วงใยในพระราชโอรสอ่าห่วงใยในพยาอาห่วงใยๆเกิดขึ้น เห็นว่าพยามานี่มันมามากมายอ่าบริวารมันมากมายก็ต้องนึกถึงบารมีที่บรมได้บําเพ็ญมาคือนึกถึงทานนึกถึงศีลถึงเมตตาปัญญาอะไรเหล่าเนี้ยเอามาต่อสู้กับกิเลสกิเลสมารคันธมารที่เกิดขึ้นนะอ่าหรือว่าใช้เมตตาบารมีอ่าคือ บำเพ็ญละกวดน้ําไว้บำเพ็ญบารมีละกวด 10 ของพระองค์เต็มพระไทยของพระองค์ อ่าในเรื่องของกิเลสตัณหาอะไรเนี่ยมันหลุดออกไปสุดขอบจักรวาลเข้ามาครอบงํานั้น มารมีกับมารเนี่ยเวลาที่ลบกันต้องลบกันในจิตของเราไม่ใช่ไปลบกันมารทันทีนะ ความคิดที่มารบกวนจิตเราทุกวันทุก ความปรารถนาที่เราอยากได้อะไรแล้วไม่ได้สมปรารถนาเนี่ยมันเป็นทุกข์ใจวุ่นวายใจได้อะไรแล้วมันก็ไม่ได้ความโลบมันเกิดขึ้นบางทีมันก็หงุดหงิดไม่พอใจเวลาคิดอ่าบางทีเราคิดอยากได้ของคนนั้นของคนนี้มาเป็นของเราเค้า หรือว่าบริการที่เราเกิดความไม่พอใจคนที่เราขอแล้วไม่ให้เนี่ยอ่าเราก็ไปโทษบุคคลนั้น จิตใจมันจะโปร่งเบาสบายจิตมันจะเป็นกุศล นานเวลาที่ความตนีมันเกิดขึ้นเราต้องพยายามรู้เท่าทันหรือเวลาที่เราคิดที่อยากจะทําความดีเวลาไหนเนี่ยเราต้องรีบทําต้องจัดใจทําไปก่อนพอถ้าเรารอเวลาอยู่แล้วเนี่ยจิต ติงให้ได้นะนั่นการให้หรือบูชาเอ่อบุคคลที่เราควรบูชามันก็จะชีวิตนะ ปารัตตนะตายบูชาพุทธเจ้าๆอ่าเช่นอ่าพระธาตุเจดีย์บริโภคเจดีย์อ่า ที่เราควรบูชาเช่นเดียวกันเราควรบูชาเช่นเดียวกันอ่าว่า อันนั้นเป็นความเห็นที่ผิดจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ความคิดของเขาแล้วคนอื่นจะผิดหมดอ่าพวกนี้เป็นทิฏฐิหรือว่าตัวมานะ กุศลจิตมันเกิดขึ้นอ่าบางทีเราก็จะนึกถึงคําสอน ความโศกที่ก่อกัดกินจิตใจของเราคลายไปคือเราไป <c oughs> เหล่านั้นอ่าเวลาเราบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนอ่าเราก็จะ นะนี้เราบูชาด้วยอมิตต์ส่วน นะตัวเราเองยังไม่ได้อะไรเสด็จดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานแล้วตัว 3 เดือน แล้วภิกษุเหล่านั้นเห็นพระภิกษุรูปนี้ไม่ไปเฝ้าพระบรมศาสดาไม่ว่าเอ่อพระภิกษุรูปนี้ไม่รักพระบรมศาสดา มาสู่ชื่อชุมลุงของภิกษุเรานี้จริงนะหาภิกษุรูปนั้นก็บอกว่าจริงพระเจ้าค่ะเพราะเหตุใดเธอจึงทําอย่างนั้นอ่าภิกษุนั้นกราบทูลว่าข้าพระ 3 เดือนนี้พระองค์จะปรินิพพานแล้วอ่าแต่ว่าข้าพระองค์เนี่ยยัง บ่รู้มากผลในระหว่างที่สาธุแก่ภิกษุรูปนั้นแล้ว วันบูชาเนี่ยจะยังศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองได้แต่ว่าอมิตรบูชากับปฏิบัติบูชานั้นเราถ้ามีแต่อมิตรบูชายัง คารวะไหว้ผู้ครองเรือนอ่าคือคารวะผู้ครอง อ่าถ้าเพศของบรรพชิตมาทํามาติดบูชากันแล้วเนี่ยศาสนาก็เสื่อมเร็วอ่าฉะนั้นในยุคปัจจุบันเนี่ยพวกปฏิบัติบูชาไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะมีแต่อ่ามิตรบูชากันนะทางพุทธศาสนานะ เพราะไม่ได้ศึกษาพระศาสนาหรือว่าไม่มีผู้ หรือว่านับถือศาสนากันแต่เพียงเป็นประเพณีอย่าง มงคลสมรดจะทํางานขึ้นบุ้นขึ้นบ้านใหม่ก็จะมาประกอบพิธีกรรมๆก็ มาได้นําเมาไปประพฤติปฏิบัติกันแต่เวลาที่จะประกอบกิจกรรมเนี่ยก็จะมาพอประกอบกิจกรรมวันพระวันอะไรก็ คือรับฟังเฉยๆไม่ได้รับไปประพฤติปฏิบัติอ่าปราให้ศีลปานาติปาตาก็ว่า นั่นเราจะเห็นว่าเวลาที่ก็ทําพิธีอะไรทําพิธีคนอ่าคิดว่ามันครั้งมันศักดิ์สิทธิ์ทั้งๆที่นั้น การปฏิบัติบูชานั้นมีผลมากกว่าอามิตตบูชาแต่คือคารวาสก็ทําใน 5 รักษา 8 เนี่ยเราทําได้ปฏิบัติบูชา หรือว่าเท่าเพศของบรรพชิตเนี่ยเท่าปฏิบัติๆเนี่ยศาสนาๆเสียมากมายประกอบกิจกรรม คือใช้แต่พิธีกรรมอ่าสอนแต่พิธีเรื่องของพิธีกรรม ของความเป็นมงคลของชีวิตเหล่านี้ไปไป แต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะไปนับถือตามทิศกันอ่าคือจะแนะนําแบบกิจกรรม อ่าไม่ได้แนะนําคําสอน อ่าเราไม่มีคนที่จะนําหลักธรรมนํามาเผย อ่าว่ามาได้ประพฤติปฏิบัติตามให้เกิดคือจะศึกษาหรือว่าเรียนรู้กันเฉพาะเพียงกันท่องจําหรือว่ามีความคิดแนวไหนว่าสัทธรรมปฏิรูป คือสอนไปในแนวความคิดของตนว่าดีว่าถูกต้องสอนไปในแนวความคิดๆเสื่อมสลายบุคคลผู้ที่ การบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตเราอ่าบอพระให้สิ่งที่มีคุณ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราได้เฉพาะในปัจจุบันนี้ชาติเดียวเท่านั้นอ่าคือพ่อแม่เราจะให้แหน่คําแนะนําทั้งสอนเราอ่าจะให้ทรัพย์สมบัติแก่เราให้สิ่งใดๆกับเราก็ตามให้ได้ และความสุขกับเราทั้งในโลกนี้ในโลกหน้าให้แม้กระทั่งสิ่งที่พ่อแม่ของเราให้ไม่ได้ก็คือการพ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะทรงศาลนี้ พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ไว้เสมอคือ บูชาพระธรรมพระสงฆ์ไว้ที่ใจอยู่เสมอแล้วก็เมื่อเรามีโอกาสบูชาด้วยอมิตรเราก็บูชาด้วยอมิตรเมื่อเรามีถ้าเราบูชาสังขารนี้ควบ เรเรเราก็จะได้พบกับความสุขความเจริญทุกภพทุกชาติไปจนกว่าจะได้บรรลุมรรคผล ให้เป็น 1 อยู่ในกุศลจิต 1 ในกุศลธรรมที่อ่าเราทํามานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็ มีความสุขความเจริญความเจริญเราต้องการความ